ในกังขาเทระคถาต่อครั้งที่แล้วพูดถึงคาถาของพระกังขาเรวตาน่นที่พระกังขาเรวตานั้นปกติแล้วพื้นฐานอัธยาศัยของท่านเป็นนักสงสัยคือมีความสงสัยมากเพราะฉะนั้นพระมหาเทระรูปนี้พอท่านทากิจคือปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็พิจารณาดูข้อที่ตนเนี่ยมีความสงสัยเป็นปกติเป็นคนช่างสงสัยอ่ะนะและข้อที่ตนเนี่ยปราศจากความสงสัยได้โดยประการทั้งปวงท่านก็บังเกิดความพอใจเป็นอันมากว่าอนุภาพของพระาศาสดาของเราเนี่ยน่าชื่นใจนักด้วยอนุภาพของพระองค์นั้นทำให้เราเนี่ยปราศจากความสงสัยมีจิตสงบระงับแล้วในภายใน เมื่อท่านจะสรรเสริญปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงได้กล่าวเป็นคาถาว่าท่านจงดูปัญญานี้ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพลบคล่าพระตถาคตเหล่าใดย่อมกําจัดความสงสัยของเวนยศัสต ร, ร์ทั้งหลายผู้มาเฝ้าถึงสํานักของพระองค์พระตถาคตเหล่านั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ให้แสงสว่างเป็นผู้ให้ดวงตา คือพระองค์นั้นเป็นผู้ให้แสงสว่างให้ดวงตานี่นะเพ ร, ะราะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยคือผู้มีปัญญาทีนี้ความที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยขจัดความสงสัยของเวนยศัสตว์ได้ทั้งหมดเลยนี่นะซึ่งคําอธิบายว่าคําว่าที่พระองค์มีปัญญาเนี่ยนะคือ ปัญญาเนี่ยโดยศัพ์แปล ว, ว่ารู้ซึ่งประการทั้งหลายหรือรู้โดยประการทั้งหลายคือรู้มา ก, กนะนะรู้เยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่ว่ารู้นิดๆหน่อยๆแต่ว่ารู้โดยประการทั้งปวงรู้ไม่มีเหลือในขณะเดียวกันปัญญาของพระองค์ก็ทรงให้คนอื่นรู้โดยประการทั้งหลายอยีกเหมือนกันนะความที่พระองค์มีปัญญาทําให้พระสาริบุตรมีความรู้ขึ้นทําให้พระโมคขาลานะพระมหากัสปะพระนุรุทธพระอนุนเนี่ยนะพระองค์นั้นช่วยให้ผู้อื่น ได้มีสติมีปัญญาอย่างกว้างขวางที่บอกว่าพระองค์เนี่ยรู้โดยประการต่างๆเนี่ยนะถามว่าพระองค์รู้อะไรบ้างพระองค์ก็รู้อาสยะอนุสยะจริ ย, รยาอธิมุตของเวนัยสัตว์ทั้งหลายคือรู้จริตนิสยัยความเป็นไปความเป็นมาความประพฤติความดีความเลวของเขาอ่ะเขาพอจะบรรลุได้ไหมมีจริตยังไงมีอธิสัยยังไงไปยังไงมายังไงในรอบรู้ทั้งหมดนะนะแล้วก็รู้ประการที่จะพึงแสดง ในบรรดาธรรมะทั้งหลายมีกุศลเป็นต้นคือรู้เมื่อว่าเขามีจริตอย่างนั้นมีนิสัยอย่างนั้นเนี่ยเขาควรจะฟังอะไรควรฟังกุศลพร้อมทั้งวิบากหรือว่าฟังอกุศลพร้อมทั้งวิบากนั่นนะหรือว่าฟังพระธรรมที่ที่แสดงแล้วก็เกื้อกูลต่อความพ้นทุกข์สำหรับเขาหรือว่าเขาจะต้องฟังเรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องธาตุนั่นนะเพราะนั้นพระองค์เนี่ยก็ ยังสัตว์ทั้งหลายให้รู้หรือให้แทงตลอดตามความเป็นจริงโดยประการนั้นๆเนี่ยนะมันอะไรควรรู้ควรเห็นควรพิจารณาเนี่ยพระองค์ก็ให้สรรพสัตว์เหล่านั้นนะรู้หมดเลยในคาถานี้ท่านประสงค์เอาญาณคือพระธรรมเทศนาของภาษาสดาเนี่ยนะก็คือเทศนายานั่นเองนะเทศนายานั้นท่านกล่าวว่าอิมังโดยถือเอาปัญญาที่ปรากฏแล้วดุดเห็นได้เฉพาะหน้า โดยการถือเอาซึ่งในด้วยกําลังแห่งเทศนาอันสําเร็จแล้วในตนเนี่ยนะก็คือเทศ น, นายานะนะยานที่มีความสามารถในการแสดงธรรมเนี่ยนั้นขณะแสดงธรรมนั้นพระองค์แสดงด้วยปัญญาดั้นการแสดงเนี่ยก็ปัญญาเนี่ยก็ว่ามองเห็นเหมือนกับว่ามันเห็นอยู่ต่อหน้านะพูดสิ่งใดสิ่งนั้นก็เห็นอยู่อย่างนั้นจริงๆ อีกอย่างหนึ่งเทศนายานของภาษาสดาอันสาวกทั้งหลายย่อมถือเอาโดยในด้วยมรคผลอันเลิศใดแม้ปฏิเวทยานในวิสัยของตนอันภาษาวกทั้งหลายก็ถือเอาโดยในด้วยมรคผลอันเลิศนั้นเหมือนกันด้วยเหตุนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้สภาพที่คล้อยตามธรรมคือแนวแห่งธรรมเนี่ยนะอันข้าพระองค์รู้แจ้งแล้ว สาวกทั้งหลายเนี่ยถามว่าท่านรู้ว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญานีนะมาตั้งคําถามแบบนี้นะก็บอกว่ า, วาท่านรู้ได้เพราะอาศัยเทศนายานของพระพุทธเจ้าคือเนื่องจากพระองค์เทศนานเนี่ยนะคือคําพูดของผู้มีปัญญาเนี่ยยิ่งฟังยิ่งลึกซึ้งยิ่งกว้างขวางหาหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะ ทีนี้ภาษาวกทั้งหลายเนื่องจากได้รับเทศนายานแล้วตัวเองเนี่ยเมื่อรับเทศนายอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามบรรลุมรรคผลก็เลยทําให้อย่างถึงปฏิเวทญาณของพระพุทธเจ้าแต่ว่าถือเอาโดยในะนะถือเอาโดยในบทว่าปัสสะความว่าผู้ที่หมดความสงสัยแล้วย่อมเรียกร้องกันโดยคําที่ไม่กําหนดแน่นอนอีกอย่างหนึ่งจิตของตนนั่นเองเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะเปล่งอุทานก็ตรัสว่า จงดูโลกนี้อันสัตว์ทั้งหลายเป็นจำนวนมากถูกอวิชชาครอบงำหรือยินดีแล้วในขันธรมรจกะที่เกิดแล้วไม่พ้นไปจากพบนี่ก็อธิบายถึงคำว่าจงดูเนี่ยนะบางทีก็พูดกับตัวเองนั่นแหละไม่ได้พูดกับใครหรอกอย่าว่าพระเทระเลยเนี่ยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังยังพูดกับตัวเองอะนะสมัยแรกตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพิจารณาถึง สัพพสัตทั้งหลายพระองค์ก็เปล่งอุทานขึ้นว่าจงดูโลกนี้หมายถึงก็คุยกับจิตตัวเองนี่แหละคุยกับตัวเองแหละที่สัพพสัตว์เนี่ยถูกอวิชาครอบงําตันหานี่ก็เพลิดเพลินในขันห้าเนี่ยนะสรุปว่าอวิชาเนี่ยปกปิดขันห้าไม่ให้เห็นโดยความเป็นทุกขสัต์ในขณะเดียวกันก็ยินดีในขันห้าด้วยอํานาจสมุทัยเนี่ยมันก็เลยไม่พ้นไปจากขันห้าในภพสามกำเนิดสี่คติห้านั่น วิญญาณทิติเจสัตตาวาสเก้าเนี่ยนะงั้นคําว่าพระตถาคตเนี่ยนะตถาคตานังพระอรหัตว่าเสด็จมาแล้วอย่างนั้นความหมายของพระตถาคตนั้นก็มีแปดความหมายนะก็คือเสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นเสด็จมาสู่ลักษณะที่แท้จริงตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงเป็นผู้มีปกติเห็นอารมณ์อย่างนั้ น, นนะแล้วก็มีปกติตรัสอย่างนั้นมีปกติกระทําอย่างนั้นแล้วก็ครอบงำ ที่บอกว่าพระตถาคตเนี่ยเสด็จมาอย่างนั้นก็คือมาอย่างไงก็คือมาเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ก่อนๆทั้งหมดเนี่ยนะมาด้วยอภินิหารอันประกอบด้วยองค์8ประการเนี่ยนะมีความเป็นมนุษย์เป็นต้นนี่นะแล้วก็สมาทานประพฤติบารมีสิอุ ป, ป, ป, า บ, ปบารมี10บปรมัภิบารมี10มหาบริจาค5อธิษฐานถาม4ตลอดระยะเวลา4ี่อสงไข่นี่นะ เหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ อ, อย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยปฏิบัติยังไงจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่างนั้นหมดเลยเนี่นก็คือมาด้วยบุญญาบารมีดุดพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆส่วนเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยก็คือไปยังไงไปนับตั้งแต่ประสูติเนี่ยนะก็คือเป็นนิมิตแห่งการบรรลุคุณวิเศษทั้งหลายแล้วก็ พอพระองค์ออกบวชนี่พระองค์ก็ไปด้วยอํานาจของเนคข ม, มะอพยาปาทาอโลกสัญญาการไม่ฟุ้งซ่านการกําหนดธรรมไปด้วยปรามโมทไปด้วยยานไปด้วยปฐมฌานทุติยะฌาน ต, าตาานัติยฌานจตุทะฌานไปด้วยอํานาจอารุปฌานไปด้วยอํานาจมหาวิปัสสนาสิบพระองค์ก็ไปด้วยอริยมรรคทั้ง4เนี่ยนะจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแค่ว่าเสด็จไปอย่างนั้นก็คือไปด้วยคุณธรรมทั้งหลายนั่นเอง ที่บอกว่าพระองค์มาสู่ลักษณะที่แท้จริงก็คือลักษณะของขันอายตนะธาตนุนนะเช่นรูปมีลักษณะอย่างไรรูปมีลักษณะ ส, สลายไปนามมีลักษณะน้อมไปสู่อารมณ์เนี่ยลักษณะแต่ละอย่างของสภาพธรรมทั้งหมดเนี่ยพระองค์ตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดไม่มีเหลือเลยและพระองค์ก็ตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงนั้นก็คืออริยสัจเนี่ยนะอริยสัจเนี่ยชื่อว่าเป็นธรรมะที่แท้จริง องค์ก็ตรัสรู้เนี่ยทุกขารยสัจก็ตรัสรู้ด้วยปริญญาสมุทัยอริยสัจก็ตรัสรู้ด้วยตหานะเนี่ยนิโรธอริยสัจก็ตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้งอริยมร์พระองก็ตรัสรู้ด้วยการบําเพ็ญเนี่ยนะดูที่เรียกว่าภาวนาอังคำว่าพระตถาคตก็คือตรัสรู้ธรรมะที่จริงแท้ส่วนความหมายในที่5ก็คือเป็นผู้มีปกติเห็นอารมณ์อย่างนั้นเนี่ย เห็นอารมณ์ก็คือรูปเนี่ยสีในโลกเนี่ยจะมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดเนี่ยนะสีทุกอย่างที่เป็นอารมณะปัจจัยของจิตเนี่ยพระ อ, องค์รู้หมดไม่ว่าจะสีเสียงกลิ่นรสโภภาพธพพะธรรมอารมณ์เนี่ยสามารถจำแนกขยายได้อย่างละเอียดเนี่ยในรูปปกรณ์นในอภิธรรมปิฎกเลยแสดงไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ความหมายที่6กก็คือมีปกติตรัสอย่างนั้นเนี่ยนะก็คือ ธรตรัสอย่างนั้นเนี่ยคำพูดของพระองค์เนี่ยตรัสเป็นความจริงโดยส่วนเดียวคําสอนที่พระองค์ตรัสนั้นอะ่ะเป็นไปเพื่อละกิเลสเป็นไปเพื่อละบาปละอกุศลได้จริงเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา45พรรษาที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยธรรมะเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่เพิกถอนบาปอากุศลได้ทุกชนิดธรรมะของพระองค์ที่สอนไปนั้นอ่ะนะเป็นไปเพื่อสงบระงรับดับวัตถทุกข์ได้อย่างแท้จริง เรียวว่ามีปกติตรัสอย่างนั้นส่วนในที่เจ็ดเนี่ยพระองค์มีปกติธรรมอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงก็คือทำอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทำทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นส่วนความหมายในที่8ก็คือครอบงมครอบงมสัตว์ทั้งหลายด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองครอบงมสัตว์ด้วยคุณธรรมทั้งมวลเนี่ยนะไม่มีใครเปรียบเทียบได้ ส่วนรายละเอียดโดยพิสดารก็ดูในอุทานเนี่ยนยดูในอิติวุตกะก็ในอัตกถาสุ ป, ปวาสาสูตรเป็นต้นนะนะแต่ก็ในที่นี้ไม่ได้ขยายพิสดาร น, น่นะขยายพิสดารก็โอ้จบไม่เป็นเหมือนกันที่บอกว่าเมื่อความมืด อ, อันประกอบด้วยองค์ีในยามพบคล่ำคือในยามราตรีย่างมาถึง ไฟที่ลุกโผลงแล้วในที่ดอนย่อมกำจัดความมืดตั้งอยู่ในประเทศนั้นสมมติทมืดสนิทเลยเนี่ยนะถ้าเกิดไฟแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยนะมองเห็นแสงสว่างได้ชัดเจนทันทีนะท่านจงดูพระปัญญาที่กำจัดความมืดคือความสงสัยของเวนยสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงกล่าวคือเทสนายา น, นี้ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายก็ฉนนั้นเหมือนกัน มาดูว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปกติเนี่ยสงสัยอะไรสงสัยยังไงเนี่ยนะสัตว์ถ้าสงสัยก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงหรือเนี่ยนะสงสัยในพระสรีระคุณบ้างสงสัยในคุณธรรมของพระองค์ว่าพระองค์เป็นผ้าอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นเนี่ยจริงหรือเนี่ยนะหรือสงสัยในพระธรรมอ่ะพระธรรมคําสอนที่พระองค์แสดงไว้นั่นอ่ะสามารถกําจัดกิเลสได้จริงหรือนําออกจากวัฏทุกข์ได้จริงหรือ หมู่พระสงฆ์ทั้งหลายที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงหรือเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าความสงสัยหรือสงสัยต่อไปว่าเอ้เราเนี่ยที่มารักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้เนี่ยนะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้จริงหรือหรือบางทีก็นึกไปนึกมาไอนนความที่อายโยนิโสมรัสิการคิดว่าเป็นเราพอคิดว่าขันห้าเนี่ยคือเราเขา้าข้อคิดในอดีตเนี่ยเราเคยมีหรือเนาะ คิดไปอนาคตอีกเอออนาคตต่อไปเราเคยมีหรือ no หรือว่าสงสัยทั้งอดีตสงสัยทั้งอนาคตสงสัยในปัจจุบันเนี่นะเ้ยที่เป็นอยู่เราเป็นใครคือใครไปยังไงมายังไงนะสงสัยในตัวเองทั้งหมดแล้วก็ตลอดจนถึงแม้กระทั่งสงสัยกรรมและผลของกรรมอ่ะนะกรรมดีมีผลจริงหรือกรรมไม่ดีเนี่ยมันให้ผลเป็นทุกข์จริงหรือเนี่ยนะ ก็คือสงสัยในกรรมและผลของกรรมไอ้การสงสัยในกรรมและผลของกรรมนั่นแหละเรียกว่าสงสัยในปฏิจจสมุปบาทนี่แหะท่านก็ปฏิจจสมุปบาทก็คือกรรมวิบากกิเลสที่เป็นไปอย่างสืบเนื่องก็เลยสงสัยทีนี้ไอ้ความสงสัยทั้งแปดประการคือสงสัยในพระพูดพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในสิกขาสงสัยในอดีตอนาคตสงสัยในปัจจุบันสงสัยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพวกเวนัยศัตว์ทั้งหลายที่สงสัยพระองค์ก็แสดงธรรมเนี่ยขจัดความสงสัยเหล่านั้น ไอ้ความสงสัยอันนั้นเปรียบเหมือนความมืดคำสอนที่พระองค์สอนนี่เหมือนกับแสงสว่างพอแสงสว่างปรากฏขึ้นเนี่ยนะไอ้ความมืดก็หายไปพอเทสนายานของพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นความสงสัยของสัตว์ทั้งหมดก็หายไปฉะ น, นั้นเพราะนั้นปัญญาจึงชื่อว่าให้แสงสว่างเพราะเป็นเหตุให้ซึ่งแสงสว่างอันสำเร็จด้วยญาณแกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ เพราสัตว์ทั้งหลายก็จะมีปัญญาใช่ไหมทีนี้ที่สัตว์ทั้งหลายได้รับปัญญามีสติปัญญารอบรู้นั้นน่ะก็อาศัยลีลาแห่งพระธรรมเทศนาเนี่ยนะเพราะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็คิดดูนะว่าเราทั้งหลายเนี่ยสมมติว่าโง่โ ง, ง, งไม่ฉลาดถ้าอ่านพระไตรปิฎกแล้วทรงจําพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดคิดดูว่าเราจะฉลาดขนาดไหนใช่ไหมมีสติมีปัญญาขึ้นเลยนะเห็นทันทีเลยเนี่ยที่เคยโง่เงย โมท่าหรือนั่งอยู่อย่างเงียนะนั่งอยู่เงียบๆคิดอะไรไม่ออกเลยนะแต่ถ้าลองคิดถึงคําสอนของพระองค์นะคิดไปเรื่อย ๆ, ๆนะสติปัญญามันเกิดขึ้นนะั้นคิดดูถ้าสมัยพุทธกาลถ้าฟังธรรมเหล่านั้นต่อหน้าพระพักเลยเนะี่ยสติปัญญาเนี่ยจะกว้างขวางความรู้ความเข้าใจจะมากมายขนาดไหนเนี่ยนะนะคือถ้าสมัยที่ฟังธรรมต่อหน้าพระพักจริงๆอจำไม่ค่อยยากหรอกที่จําไม่ยากเพราะเสียงพระองค์เนี่ยดีเนี่ยนะ เสียงดีด้วยฟังแล้วเป็นภาษาของเราที่เราถนัดที่สุดชำนาญที่สุดเนี่ยนะแล้วก็เนื้อหาชัดเจนมากเนี่ยนะใช้คำที่ที่เหมาะกับเจริตของเราจริงๆเ น, นะเราจะจำง่ายจำแม่นมากเน่ยนะถ้าถ้าได้ฟังต่อหน้าพระโอษฐ์อย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่มีบุญะนะมีบุญได้เห็นแต่ในาพระไตรปิฎกอย่างนี้ก็ให้ศึกษาแต่ถ้าความสงสัยที่เปรียบเหมือนความมืดเนี่ยลองระลึกถึงคาสอนที่เรียนที่ได้ฟังมาเถอะ อนนะแสงสว่างคือปัญญาก็จะเกิดขึ้นเนี่ยนะว่าหูได้ยินเสียงเนี่ยเนี่ยถ้าเราคิดแบบภาษาเราเได้ยินเสียงนกเสียงจิ้งรีดร้องเนี่ยเราจะคิดอะไรคิดไปก็คิดด้วยอำนาจอาวิชชาคิดด้วยอำนาจโมหะซะส่วนใหญ่แต่พอตรึกถึงคำสอนเนี่ยนะละลึกถึงคำสอนพระองค์ตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเอาพระสูตรต่างๆมาพิจารณาตามนี่ก็จะเห็นเช่นนั้นนะได้ยินเสียงเออเสียงเราเนี่ยเป็น เสียงที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเฉยเฉยใช่ไเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาทีนี้ถ้าผู้ไม่รู้เหตุเกิดความดับอัศสสาธาอาทีนวาวะนิสารณะของสิ่งเหล่านี้โมหะก็เกิดขึ้นอวิชาก็เกิดขึ้นเนี่ยนะอวิชานุสัยก็เหมือนกันนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ถ้าอาวิชาเกิดอะไรเกิดอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร น, นะนะสังขารก็เป็นปัจจัยแก่ทั้งบุญทั้งบาปแต่โดยปกติโดยมากกว่ามากไปด้วยบาปนั่นแหละ บาปบาปให้ผลนำเกิดเกิดที่ไหนนะสังสาราวัตก็เป็นไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอันคําสอนที่พระองค์สอนเอาไว้นะช่วยให้เกิดสติเกิดปัญญาคําสอนที่พระองค์แสดงนะั่นนะเป็นเป็นสิ่งที่ให้ดวงตาจริงๆเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ให้ดวงตาเพราะให้ซึ่งจักสุอันสําเร็จด้วยปัญญาจักสุที่สําเร็จด้วยปัญญาเนี่ยหมายถึงธรรมจักสุเนี่ยนะธรรมจักสุเห็นอะไรก็คือเห็นอริยสัจ เห็นวันนี้ทุก อ, นนอุปาทานขันห้าในภูมิสามเนี่ยคือทุกที่นั่งๆั่งอยู่เนี่ยแหละคือทุกเ ห, กหกล่านั้นใชตัณหาในการก่อนที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยนี่เรียกว่าเหตุแห่งทุกถ้ากําจัดฉันทราคะละวิปราชในสิ่งเหล่านี้ได้ในทุกอันนี้เรียกว่าความดับทุกนะด้วยอาศาัยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคนั่นเองพระเถระคือพระกลงขาเรวตะเนี่ยแสดงถึงปัญญาแม้ทั้งสองคือ ปัญญาที่ให้แสงสว่างเนี่ยนะปัญญาที่ให้ดวงตาเนี่ยเป็นประทัดฐานแห่งการกําจัดความสงสัยเนี่ยนะเพราะว่าอาศัยพระธรรมคาสอนอ่ะนะอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ให้แสงสว่างแก่เราให้ดวงตาแก่เราอ่ะนะเพราะทั้งปัญญาที่ให้แสงสว่างให้ดวงตาเนี่ยทให้ขจัดความสงสัยได้ไปหมดเลยเพราะปกติพื้นฐานท่านเป็นผู้ที่มีความสงสัยมาก ทนี้พระตถ า, าคตเจ้าเหล่าใดย่อมกําจัดคือขจัดบําบัดเสียซึ่งกลางขาคือความสงสัยมีวัตถุ16อันเป็นไปแล้วโดยในเป็นต้นว่าในอดีตการอันยาวนานเราได้เคยมีมาแล้วหรือหนาเป็นต้นเนี่ยสงสัย16อันนะแล้วก็มีความสงสัยมีวัตถุ8ดคือสงสัยในพระพูธสงสัยในพระธรรมเป็นต้นคือถ้าแบ่งอีกในหนึ่งก็แบ่งคิดอย่างง่ายง่ายดีก็คือหนึ่งสงสัยในพระพูทสองสงสัยในพระธรรม สสงสัยในพระสงฆ์สี่ 4. สงสัยในศิกขาศิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะว่าถ้าเราปฏิบัติจะช่วยเราพ้นทุกข์เลยจริงหรือเงี้ยแล้วก็สงสัยในเรื่องอดีตอดีตก็แบ่งอีกเป็น5ใช่ไหมสงสัยในเรื่องอนาคตเนี่ยนะกสส็สงสัยในเรื่องปัจจุบันเนี่ยหกก็สงสัยในปฏิจจสมุปบาทก็คือสงสัยในกรรมและผลของกรรมนั่นเอง กรรมดีให้ผลเป็นสุขจริงหรือเนี่ยนะกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์จริงหรือทาดีได้ดีเนี่ยมีจริงหรือทีนี้ไอ้ความสงสัยเหล่านี้เนี่ยมันหนักไปทางไม่เชื่อนะไม่ใช่ว่าสงสัยเสร็จศรัท ธ, ธาเพิ่มขึ้นโดยปกติผู้ที่มากไปด้วยความสงสัยพวกนี้ไม่มีศรัท ธ, ธาเนะมื่อไม่มีศรัท ธ, ธาก็ประมาทเขาก็ไม่ทําบุญไม่เจริญกุศลอะไรเมื่อไม่เจริญบุญไม่เจริญกุศล อ, อย่างนี้เนี่ยนะก็ประมาทเมื่อประมาทนี่บอลทั้งหลายก็ กลุ่มลมเนี่ยนะถ้านิวรกลุ่มลมอะไรอะไรบริบูรณ์อวิชาก็บริบูรณ์ถ้าวิชาบริบูรณ์เนี่ยนะตัณหาที่นําไปสู่พบต่างๆก็บริบูรณ์ทีนี้ถ้าขึ้นชื่อว่าการเกิดล่ะนนะการเกิดเนี่ยคื อ, คอเครียกว่าจุดเริ่มต้นแห่งความทุกข์ว่า ง, งั้นเถอะเสียงกลองแห่งความทุกข์เริ่มดังขึ้นแล้ว น, ะนับตัง้งแต่ปฏิสนธิเนี่ยนะพอเกิดขึ้นมาเนี่ยพบทุกพบเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายเริ่มประดังเข้ามาแล้วนเนี่ย โรคกี่ชนิดก็เข้ามาความทุกข์ทั้งหลายที่อยู่ในคันก็เริ่มละเนี่ยนะพอคลอดออกมาจากคันก็ทุกข์ก็เริ่มต้นนะครับแต่ว่าเริ่มทยอยทยอยมาเรื่อยๆจเจริญเติบโตมาเนี่ยนะโอ้รับทุกในทุกทวารเนี่ยนะรับทุกในทุกทวานเนี่ยคือถ้าเราไม่เมาจนเกินไปเนี่ยนะนั่งทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตรงไหนมันมีความสุขจริงๆบัง่งถึงหัวเราะ ข, ขำคิกคักคิกมีความสุข มันก็มันก็คืออะไรมันก็เหมือนกันเล่นน่ะเหมือนกับเด็กเล่นน่ะเดี๋ยวก็โห่ร้องเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดีใจเสียใจเฉยๆร้องไห้ดีใจเสียใจเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีความมั่นคงอะไรด้วยนะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรอย่างแท้จริงด้วยเนี่ยนะเหมือนกับเล่นกับพฟองน้ําเหมือนกับเล่นกับพยับแดดเหมือนกับเด็กเล่นขายของอย่างเง้ยนะเหมือนเป็นจริงเป็นจังจริงๆอ่ะนะ พออีกพักหนึ่งอ้าวอันตรทานหายไปหมดเนี่ยนะก็ทิ้งทุกอันนั้นก็ถือเอากองทุกอันใหม่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยนะถือทุกแบบนี้มันดียังไงเนี่ยนะแต่ที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะความเมาอะนะเพราะความวิตระรดนั่นเองทีนี้นความสงสัยเหล่านั้นเนี่ยนะที่สำหรับผู้ที่มากไปด้วยความสงสัยพอ ได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กำจัดความสงสัยทั้งหมดนั้นแก่เราเวนยัยสัตว์ผู้เข้าถึงคือผู้เข้าไปยังสำนักของพระองค์โดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอนุภาพแห่งเทศนาเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลสงสัยอะไรเข้าไปเถอะพระองค์เนี่ยแก้ความสงสัยให้เราหมดสมัยนี้เหมือนกันเนี่ยนะความสงสัยอันใดก็ตามนะถ้าเรารู้ว่าพระธรรมหมวดนั้นอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยท่านแก้ไว้ให้หมดแล้วเราสงสัยไม่ได้สงสัยเกินสมัยพุทธกาลอะไร เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาจนสามารถรู้ว่าคำสอนแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยเนยเราจะละความสงสัยได้เลยเนี่ยจะไม่สงสัยหรอกเพราะรู้แล้วสงสัยเรื่องนี้ท่านก็แก้ไว้ให้แล้วสงสัยเรื่องนั้นท่านก็แก้ไว้ให้แล้วเนี่ยนะอีกในหนึ่งไฟที่รุ่งเรืองคือมีแสงสว่างจ้าลูกโชนโชคช่วงในยามพลบค่าคือราตรีย่อมกำจัดความมืดให้แสงสว่างมองเห็นที่เสมอ และไม่เสมอได้ชัดเจนแก่ผู้ที่อยู่บนที่สูงแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในที่ต่ำเมื่อกระทําแสงสว่างนั้นให้ปรากฏดีแล้วชื่อว่าย่อมให้ดวงตาเพราะกระทํากิจคือการเห็นเนี่ยนะไฟเนี่ยนะเหมือนกัางคือเนี่ยใช้ไฟใช้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะก็ทำให้มองเห็นมองเห็นรูปได้ฉันใดพระตถาคตเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงกาจัดความมืดคือโมหะ แก่ผู้ที่ตั้งอยู่ในที่ไกลจากธรรมกายของพระองค์คือผู้ที่มีอธิการยังไม่ได้กระทําไว้ด้วยแสงสว่างคือปัญญาแล้วทรงยังความเสมอและไม่เสมอมีความเสมอทางกายและความไม่เสมอทางกายเป็นต้นให้แจ่มแจ้งคือให้แสงสว่างพูดถึงว่าผู้ที่ไม่ได้ทําบุญมาพอที่จะตรัสรูม้มรรคผลเนี่ยนะมาฟังธรรมะของพระองค์เนี่ยถามมาได้ประโยชน์ไหมได้ เพราะคําสอนที่พระองค์แสดงพระองค์สอนเนี่ยก็ชี้ให้ดูนะชี้ให้ดูอะไรชี้ให้ดูความชั่วทางกายทางวาจาและใจเนี่ยนะว่าความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยมีผลยังไงต่อไปว่างแล้วก็ชี้ให้เห็นความดีทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยสุดจริตสสุจริญสามเนี่ยมีผลต่อไปยังไงบ้างเนี่ยนะเช่นทุจริตสาอบายทุกขติวินิบาตนรกสุดจริตสามก็คือมนุษย์ อันนเะทวดาเป็นต้นเนี่ยก็อาศัยผลแห่งสุดจริตสามอันผู้ที่ไม่มีบุญสั่งสมพอที่จะบรรลุมรรคผลอย่างน้อยที่สุดเมื่อได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ชี้ียกว่าเห็นทางแห่งความชั่วเห็นความไม่เสมอของถนนหนทางทั้งหลายคืออบายทุกขติวินิบาตนารกแล้วก็เห็นทางแห่งสุขติที่คิดว่าชัดเจนเลยนะว่าเออทางเป็นอย่างนี้จริงๆ อันนี้สําหรับผู้ที่ไม่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลนะนะก็แยกดีแยกชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วนะก็สามารถที่จะละบาปบําเพ็ญบุญได้แต่สําหรับผู้ที่อยู่ในที่ใกล้เมื่อมอบธรรมาจากสุให้แก่ผู้มีอธิการอันกระทำแล้วชื่อว่าให้ซึ่งดวงตาถ้าเป็นคนมีบุญเนี่นะฟังธรรมจากพระองค์ก็บรรลุโสดาปติมักสกทาคามิมักอนาคามีมักอรหัตตมักเนี่ยมีดวงตาเห็นว่านี้ทุก ทุกสมุทยัยทุกขณิโรทุกขานิโรถ้าคามิมีปฏิปทาอันนี้สำหรับผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วก็จะฟังธรรมจบก็บรุมรรคผลเลยนะทีนี้ถามว่าผู้ที่ทำบุญไว้แล้วเนี่ยเขาทำยังไงบุญเนนะก็คือทำบุญเช่นไหว้พระพุทธเจ้าก็ตั้งความปรารถนาขอจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจเป็นต้นนั่นเองนะนบุญกุศลให้ทานสมาทานศีลฟังธรรม หรือเจริญภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งความปรารถนาเพื่อบ ร, รุมรรทเนี่ย น, นะถ้าทําอย่างนี้โดยใช้เวลานะยาวนานเนี่ยนะผู้นั้นแหละเรียกว่าผู้มีอธิการคือเป็นผู้ที่ทําบุญไว้แล้วเนี่ยนะก็แสดงว่าได้ทําเหตุเพื่อที่จะบรรลุมรรลเอาไว้แล้วประกอบความว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเหล่าใดผู้เป็นอย่างนี้ย่อมกําจัดความสงสัย ของผู้มากไปด้วยความสงสัยแม้เช่นเราผู้มาฟังโอวาทของพระองค์คือขจัดเสียได้ด้วยการยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นนะพระองค์แสดงธรรมจนอริยมรรคเกิดขึ้นท่านจงดูพระปัญญาที่มีพระยานอันดียิ่งของพระตถาคตเจ้าเหล่านั้นนะถ้าใครศึกษาพยานของพระพุทธเจ้านะยานเช่นจตุเวสารชยานเนี่ยนะยานที่ทําให้พระองค์แกล้วกล้า4ประการาไล่มาตั้งกต่นหนึ่งนะหนึ่งก็คือพวก จักสุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าแบ่งเป็นสามเาเรียกว่ายานที่ไม่ข้องขัดหรือไม่ขัดข้องไม่มีอะไรปิดบังในการสามยานสี่หมวดสี่ก็คือจตุเวสารชายานยานหมวดห้าก็คือยานที่กำหนดคติห้าเนี่ยนะกำหนดคติห้าตั้งแต่นนะรกเป็นต้นยานหมวดห ก, ก็คืออาส า, า, าธารณะยานหกเนี่ยนะนะนะเช่น ยานที่รู้อาศัยอนุสัย น, นัให้เรียกว่าอาศยานุสยาญาณเนีย่ยนะยานที่รู้อนุสัยจิริธิธมุตของสรรพสัตว์อินรียาโปรปริยตญาณเนี่ยนะก็คือยานที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายยามากะปาฏิหานุญาญเนีย่ยนะยานที่แสดงพยมามกะเนี่ยนะคือแสดงเป็นคู่คู่นะท่อน้ําท่อไฟไหลออกมาจากสรีระทั้งมวลน่ะ หรือพยานอย่างอื่นเอกคือมหากรุณาสมาบัติยานสัพพัญยุตยานอนาวรณะยานนี่เรียกว่าอาสาธาระญ า, านหกและพระองค์ก็มียานที่แจมแจ้งในโพชงเจ็ดเนี่ยนะยานที่แสดงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดยานที่ประกาศอนุปภะวิหารสมาบัติกายานที่ประกาทศพลยานเนี่ยนะยานที่ เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าสิบประการแล้วก็ยังมียาอย่างอื่นอีกตั้งมากมายเนี่ยนะนพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งนะนนปัญญาที่พระองค์มีเหล่านั้นเนี่ยสามารถช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยมรรคได้ทำให้ผู้อื่นบรรลุอริยมรรคได้คาถานี้เป็นคาถาของพระเรวตาที่พยากรอรหัตผลเนี่ยนะตัวในครั้งคาถาของท่านที่ว่า ท่านจงดูปัญญานี้ของพระธรรมโคจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพลบคำ่ำนะก็ถ้าเวลาอยู่ในกลางคืนเดือนมืดนะเห็นแสงไฟที่ไหนก็ระลึกถึงเนี่ยคาถาบทนี้ว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสว่างเหมือนกับไฟเหล่านั้นนั่นแหละกลางวันก็ได้กลางวันก็เห็นดวงอาทิตย์สองสว่างกู้ปัญญาของพระพุทธเจ้าก ว, ว้างขวางเหมือนดวงอาทิตย์นะนะเพราะว่าปัญญาของพระองค์เนี่ยกำจัดความสงสัยของเวนยสัตว์ พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์นั้น่ะเป็นผู้ให้ดวงตาแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคาถาพยากรณ์ของพระกังขาเรวตตเถระเนี่ยนะผู้เป็นเลิศทางเข้าชานเนี่ยนะเป็นผู้ว่าผู้ยินดีในชานนะ่ะนเป็นผู้มีปกติเพ่งชานนั่นเอง